และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย Wila payag na การแตกแยกขาดสามคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง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 โอกาสอันดีที่พี่น้องชาวจังหวัดนครทนมจะได้ชื่นชมครับขออัญเชิญพระ 2552 และ 5 ธันวาคม 2552 ดังนี้ความ ขอด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่ แล้วที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดจิตคือชาติบ้านเมืองใจให้เที่ยง การอันดีที่พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมจะ 3 23 กรกฎาคมของศกนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น. น. ถึง 15:00 6187 ปิดเปลี่ยนไพล่ดับ 1 เพื่อตัด 3 ปล่อยปลากินลูกน้ําเช่นปลาหานกยุงปลาสอดปลาคือคัดล้างไข่ยุง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 ต้อง สัญญาวันนี้ชาติกระเชิญผ่านภัย <Sanlyan> นานาชนราชการทุกกระทรวงทบวงกรมภาค 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมานั้นผ่านมา ตามความเป็นจริงไม่มีการบิดจังหวัดทั้ง 20 จังหวัดภาคสวรรค์ออกเฉียงเหนือสํานัก ตำรวจและๆรวม 100 สถานี เพียงความสุข 25 นาทีช่วง 8 ตั้ง 5 นาทีถึงๆขอๆ ขอบคุณหัวทหารภาคธุรกิดเอกชนที่น้องประชาชน กล้ารุกเจาะสู้กับอันตราย นำรับ FM 92.75 MHz นะครับครับซึ่งวัน 20 จังหวัดของ สังกัด 2 ของอุบลราชธานีรวมถึงสถานีวิทยุของ ท่านมาเป็นผู้บัญชาการกองกําลังรักษา 1 เดือน 1 ระยะ 1 จะ เรามาพูดคุยกันสวัสดีครับท่านมรุตครับครับสวัสดี ท่านบรรยายของ คสช. นะ, นะ 9 วิทยาศาสตร์ของ คสช. มานะ 9 ประการนี้นะครับครับ การการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หลักหลักของไทยกลับคืนมากลับคืนมานะครับเข้า นะครับการซื่อสัตย์เสียสละอดทน ครับนะครับที่สําคัญคือต้องคํานึงถึง แล้วก็มาครับครับ 3 ระยะ 3 2 อาทิตย์ เนี่ยประกาศใช้ธรรมนูญกับกรรมการชุดขาไปแล้วก็ ครม. ไม่ ครม. นะ อสภาอสภาเหมือนเหมือน 11 ด้านนะครับซึ่งในกรอบขนาดเนี้ย นะครับนี่ก็เป็นกรอบใหญ่ๆของ 3 นะครับก็ กองสภาปฏิรูปนะครับ 5 คน 380 คนใน 380 1 เหลือ 76 76 550 76 คน 626 เพื่อเข้าสู่สภาปฏิรูปธรรมทั้ง 11 ระยะครับทีนี้ 2 เนี่ยนะครับ 1 เดือน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิอ่าท่านทําอะไรบ้างมีอะไร นะครับในการเข้าไปจัดเวทีเสวนานะครับโดยทาง นอกจากความต้องการตรงนี้แล้วนอกจากความต้องการตรงนี้แล้ว 5 นะครับคดีาเสติดกันๆจัดเป็นกลุ่มใหญ่ๆไว้นะครับมีทั้งหมด แต่ก็ยังมีคนต่อเนื่องรับสร้างปัญหาพัฒนาการของปัญหาส่วนในการเข้า ออกได้ปิดๆเช่นปิดปิด 2 วันครับนะครับ น่าเอ่อจากจากเอ่อพี่เช่นเช่นหลักๆเนี่ยนะครับผมจะครับเอ่อก็ซึ่งซึ่งเอาเอาอ้อย 4-5 เดือนแล้วแต่ไม่ 4 ครั้งก็ได้ข้อสรุปนะครับ มีวิทยุหลายคนก็สอบถามเหมือนเมื่อไหร่จะเปิดให้ มาลง MOU กัน 21 กับครับแล้ว 2 3 นะครับครับมีกติกา 3 สถานีนะครับ FM 103.00 ที่ FM 102.25 นะครับคนโนนส้มกบ 3 ทานี 3 ทานี 3 ทานีที่อนุญาตแล้วถูกต้องนะครับ จะให้กองครับครับครับแล้วในในช่วงปล่อยๆครับ เราทั้งในส่วนของเราเองนะครับได้เรียนกับท่านผู้ ครับในกระบวนการนี้เราจัดดําเนินเสร็จแล้ว แล้วก็ในส่วนของเอ่อภูเขียวครับน้ําเปิดภูเขียวใช้ได้ 2 หน่วย นต. 455 ก็อยู่ที่เกษตรสมบูรณ์ครับก็ ให้มาประจำที่เราเลยอยู่ที่กองรังเนี่ยผมก็ แผ่น FM 92.75 MHz ผมพูด 2 อ่านครราชสีมา 20 สถานีไม่ใช่ครับ 20 จังหวัดของภาคผม ความเป็นจริงมั่งมั้ยครับเอ่อการตรวจสอบค่าได้หลังแรกก็ประมาณ 89,000 กระสอบเสร็จ ครับ 2 นี่ 23 ล้านครับ 24 ล้านนะครับกิโลนะ 2 ส่วนเนี่ยก็ขั้นต้นเนี่ยได้ ลงมือผลิตละครับเอ่อผมค่าปุ๋ยก็ตามนะ ต้นต้นๆ เหมือนขนาดเนี้ยที่เราจัดช่วยยอดไปตามนับทุก 16 อำเภอ ทั้งเรื่องอื่นๆทั้ง 20 จังหวัดผ่านทาง สวท. ผ่านทาง อสมท. สรรคณะเอ่อๆก็ทํานะครับเรามีเมื่อเราหยุดจุด 1 เพื่อเราเดือนเนี่ยนะครับ ให้เชื่อใจพวกเรานะครับหลักว่าเราจะ ในจังหวัดอื่นๆๆ20 จังหวัดภาคอีสานเนี่ยก็ๆกัน ลักๆ12 ข้อที่ท่านสังคม หยุดสักต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยของเราอ่า ขอน 2 อุบลราชธานีแล้วก็วันนี้ครับชัยภูมิเป็นเจ้าภาพนะครับผม สวทช. เชยภูมิของเรา 044822380 ครับขอบคุณคุณวิรัตน์ที่นอกครับทีมงานท่านครับท่านครับหวังมีโอกาสมาพูดครับท่าน